พระธรรมเทศนาแผ่นที่48ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่14พฤษภาคม2555มีชื่อเรื่องว่าเงินคงคังคือเงินประกันประเทศ เขาในบนเทศด้วยนะให้หลวงพ่อแดงธรรมด้วยที่อำเภอน้ำโสมจากนี้ไปประมาณยี่สิบกิโลตรงพ่อก็คี่พระจะไปพอมาถึงเที่ยงพอถึงบ่ายโมงยังไม่เห็นมาหลวงพ่อก็เลยโทรไปบอกทางนู่นเลยบอกว่าไม่ได้มาแล้วพ่อพี่น้องสิงห์บุรีชัยนาธยังไม่มาเพราะนั่นคิดว่าจะมาอย่างนะะเดีด๋ยวจะโทรตามดูอีกที่นึงติดธุระอะไรเป็นอะไรทาไมยึงผิดเวลา หลวงพ่อก็ได้โทรไปทางน้ำโสมเน่ะบอกว่าไม่ไปทางนูองอ้นเนี่ยคอยทางนี้ก่อนแต่ว่าถึงได้ก็เกือบบ่ายสองใช่ไห ม, <laughs> มเข็นศรัทธาญาติโยมจากจากเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนชัยนาธสิงห์บุรีเดี๋ยวมาชูวัดหลวงพ่อแต่ก็ ในทราบหลายๆคนที่มาถามว่าทราบวัดหลวงพ่อได้ยังไงบางทียังไม่เคยมาอย่างจังหวัดพิจิตพิกชโนโลกอย่างจังหวัดตราดอย่างนี้เข้ามาหลวงพ่อก็ถามรู้จักหลวงพ่อได้ยังไงรู้จักวัดนาคาน้อยได้ยังไงก็บอกว่าโดยมากนะช่วงนี้นะก็บอกว่าเห็นหลวงพ่อในโทรทัศน์ในงานหลวงตาเออเออ เห็นหลงพ่อในโทรทัศน์ในงานหลวงตานะโอ้ oh, แสดงว่าโทรทัศน์ข่าวนั้นดังพอสมควร อ, อ, อ่ะพระหลวงพ่อเองเข้าไปในงานหลงตากะตะกอนกับหลวงพ่อก็อยู่อย่างนี้แหละอย่างพวกเราเห็นเนี่ยนะวัดหลวงพ่ออยู่ไกลจากจากังหวัดอุดรนะกำแพงของหลวงพ่อเนี่ยกัหลวงตาได้เป็นคนมาสร้างให้นะสมัยนั้นหมดไปยี่สิบกว่าล้านเพราะมันกำแพงยาวทั้งหกกิโลกับเจ็ดร้อยกว่าเมตร แต่สมัยนั้นปูนเพียงถุงหนึ่งสามสิบห้าบาทท่านเองทุกวันนี้มันถุงหนึ่งร้ยกว่าบาทร้อยสมสิบเกือบสองสามเท่าตัวเหล็กสมัยก่อนกัเหล็กสองหุนกับสิบหกบาทแต่ทุกวันนี้มันเท่าไหร่สี่ห้าสิบาทบ้งเส้นหนึ่งแล้วก็เหล็กสามเหล็กสี่อีกถ้าทุกวันนี้ก็คงจะป่าเข้าไปเกือบร้อยล้านแล้ะมึงกําแพงแต่หลงตาท่านมาทําให้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 สังคกรรมก็ทำปีนึ่งเพียงครั้งสองครั้งมันไม่คุ้มค่าแต่ค่าใช้จ่ายในโบสถ์มันถึง 20-30 ล้านเพราะนั้นเราไม่เห็นด้วยที่จะสร้างโบสถ์แต่กำแพงนี่เราเห็นด้วยเพราะว่ากำแพง เ, เป็นที่มันปลอดภัยสมบผู้มารักษาสีมาปฏิบัติที่นี่และก็ต่อไปภายภาคหน้าก็เป็นเครื่องป้องกันที่ดินของวัดให้เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนานานเท่านา น, าน แต่ถ้าว่าเราไม่ทํากําแพงเเราไม่มีอะไรเลยสมพานที่อยู่ที่นี่เจ้าวาดที่อยู่ที่นี่นี่อยู่วัดนี้เนะี่ยเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับของชุมชนในละแวกนี้เขาก็ไม่กล้าทําอะไรเพราะเขาเขายอมรับแต่ถ้าว่าสมพานเขาไม่เกรงใจชาวบ้านอันดับแรกก็จะมายิงสัตว์ก่อนตรงตาท่านอธิบายนะพอมายิงสัตว์สมพานกับผ้านในวัดก็ขดอัด เพราะเขาไม่เคารพมันมายิงสัตว์เปี้ยงป้างเพี้ยงป้างอยู่ก็อยู่ไม่ได้เมื่อนี้ไปพอหนี้ไปเขาก็มาตัดไม้เออมาตัดไม้ต้นไหนที่เขาต้องการเขาก็มาตัดพอตัดเสร็จแล้วเขาก็บุกรุกทิ้งโปรที่สุดที่วัดเลยหมดโดยปริยายเพราะชาวบ้านเข้ามาบุกรุกเพราะนั้นเรามองไกลเราเห็นว่าน่าจะสร้างกำแพงคอนกรีตล้อมรอบเอาไว้แต่ถึงจะสร้างคอนกรีตก็เถอะ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 เพราะฉะนั้นเราเห็นต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยทรัพยากรของวัดเนี่ยมันจะเหนือกว่ากำแพงเพราะฉะนั้นเราจึงให้ลงทุนลงตาท่านพูดไว้อย่างนั้นก่อนนะสรุปแล้วลงตามองไกลนะมองไกลมากเอ่แล้วก็มองทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็ว น, นกันอย่างพวกเราเห็นไม่ว่าสมัยเมื่อสามสิบเก้าสี่ศูนย์เศร ษ, ษ, กษฐกิจเมืองไทยของเรายแย่ ลงตาก็บอกว่าเอาทองคําเข้าคลังหลวงพวกนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายก็บอกว่าทําไมลงตาจะเอาทองคําเข้าคลังหลวงก็รู้จจากเห็นว่ามันเงินมันหมดครั้งทําไมไม่กระดมเงินซื้อดอลล่าเอาเข้าคลังหลวงเอามาใช้หมุมมนเวียนมาใช้ในคลังทําไมลงตาจึงไปซื้อทองคำแต่เงินก็นยิ่งออกนอกระบบอีกพรไปซื้อทองคําทองคำมันไม่ใช่มันอยู่ในเมืองไทยมันมาสั่งมาจากเมืองนอก เราเงินไทยซื้อทองคําเงินก็นยิ่งออกไปอีกยิ่งแห้งไปอีกทาไมลงตาจริงเอาทองคําอลงตาว่าทองคําเอาทองคําเท่านั้นไม่เอาอย่างอืง่นนักเศรษฐศาสาตร์หัวฟัดหัวเวียงบางคนไม่เข้าวัดลงตาเลยนะกลัวให้ลงตาว่าทําไมลงตาไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ไม่ได้เรียนการเงินทําไหมไปซื้อทองคําแล้วก็ไปทิ้งไว้ในคังหลวงไปทิ้งในโกดังท่านเองแล้วเอาเงินไปละลาย เงินก็นยิ่งหมดอยู่แล้วมงนก็นยิ่งหมดเท่าเงินยิ่งแห้งไปเรื่อยๆเลยแล้วทองคําก็มาทิ้งเป็นก้อนหินอยู่ในโกดังเท่า น, นั้นเองมันจะเกิดประโยชน์อะไรทำไมไม่เอาเอาเงินเอามาเข้ามาหมุนเวียน ม, มาใช้อที่เราขาดเงินอยู่ในเนี่ยมันขาดเงินแต่ดวงตายัางไงทองคําพอที่สุดเป็นยังไงเด็ทคนี้พอจากนั้นต่อมาไม่นานใช่ไหมเห็นฤทธิ์เลยใช่ไหม ถ้าว่าเราซื้อทองถือเงินดอลลาร์เข้ามาไว้ในคลังนะสท่าไหรนะั่นเองเราจงหัวทิ่มหัวเป็นรอบที่สองเพราะอะไรเพราะเงินดอลลาร์มันตกนะมันตกอย่างมากเลยเอนี่แหละแต่พอมีทองคําอยู่ในคลังทองคําของเราประกันเงินเลยทีนี้เงินของเราแข็งป๊อกเลยทีนีเน้เเพราะมันเป็นหลักประกันเนีน่ยเงินทองมันแข็งเลยทีนี้ดอลลาร์เนี่ยเอาไม่รอดเลยทีนี้นี่แหละถ้าว่าพวกเราไปยึดดอลลาร์อีก พวกเราจะหัวทิ่มบ่อยเป็นรอบที่สองที่สามนี่แหละหลวงพ่อว่าลวงตาเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเออเรามองไม่เห็นดวงตามองเห็นเออเห็นไหมนักวิชาการทั้งหลายนักเสียสตร์ทั้งหลายนี่ยมวนเสือหลบหนีไปหมดเลยเอามาพูดเลยสิเอามาพูดเดี๋ยวนี้เลยสิใครที่ว่าลวงตาทําผิดเนะ่ยผิดที่ตรงไหนเอามาพูดเลสิมีแต่เขาเงียบทุกคนเลยเนี่ย นี่แหละหลวงพ่อว่าดวงตาในมองไกลสายตายาวเนี่ยนะที่ท่านมาสร้างกำแพงให้วัดหลวงพ่อเนี่ยแตท่านคิดถึงขนาดนั้นนะที่ท่านก่อนที่จะสร้างที่ท่านจะ ท, ทําให้ถ้าไม่ได้คิดโมูเมียท่านทำํำอะไรไม่ใช่นะมีเหตุผลของท่านท่านพูดได้ชัดเจนเลยเพราะนั้นท่านว่าเราสร้างเนะี่ยเราไม่ได้สร้างให้ทําอินนะเราสร้างเป็นสมบัติของไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสมบทที่ทาอินมาอยู่นี่แต่เหมาะ สถานที่แห่งนี้เหมาะที่จะภาวนาพรเรามองดูเราเห็นแล้วสงบสงบเหมาะที่จะเป็นสถานที่ภาวนาเพราะนั้นเราจรึงเสริมดวงตาท่านบมกเพราะนั้นที่ดวงตาหลวงพ่อก็ไม่ได้ค่อยเข้าไปยุ่งดวงตายังนั้นอยู่ท่านกับนั่นพาหลวงพ่อเข้าไปโผล่เข้าไปบางทีไปกราบท่านก็ไปตาบตอนบ่ายได้ตอนเช้าหลวงพ่อไม่เข้าไปไม่เข้าไปใกล้เพราะฉะนั้นคนยังหลายจึงไม่รู้จักกัน พาะ อ, องค์นี้มาจากไหนแต่ว่าตอนบ่ายหลวงพ่อไปได้บัดเนี่ตอนบ่ายเนี่ยหลวงตาไปหลวงพ่อก็ขึ้นไปเมื่อต่อพ่อกับลูกถ้ามีอะไรแสดงให้ทําให้ฟังพูดให้ฟังเอตลวดลายยังไงเป็นยังไงยังไงท่านอธิบายให้ฟังหลวงตามีเมตตามากมากแต่หลวงพ่อไม่เข้าไปตอนเช้าเพรา ะ, ะนั้นคนทั้งหลายไม่รู้จักเพราะงานวงตาป่วยเนี่ยมั่มวทงปลาป่วย หลวงพ่อเคกระโดดเข้าไปเพราะในฐานะพ่อไนงะใช่ไหมเข้าไปแต่ตอนเช้าก็หลวงพ่อก็อยู่ในหลวงตาป่วยเนี่ยหลวงพ่อก็พูดที้แน่หลวงพ่อก็ไม่อยากจะพูดออกเข้าไปเลยไปเงียบๆเจนี่ยพวกคนเข้ามาเถอะพวกคนเข้ามาใครก็อยากจะรู้ว่าหลวงตาเป็นอะไรต้องตามไม่บินถบาดอยู่ในกุฏิเอจ้เนี่ถามกันเถอะเนี่ถามกันพวกนะัเป็นไครหลวงตาถามท ำ, ทำไม <laughs> ไอ้พวกที่ถามกันแล้ว ไม่รู้จะถามใครตัวนี้เครียดกันไปทั้งหมดเลยสันี้หลวงพอ่อเอ๊ะมันน่าจะพูดนะทําไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมาใครใครก็อยากจะรู้ใครใครก็รับดวงตาด้วยกันทุกคนนะี่แม่นหลวงพ่อเนี่ย น, น, น่าจะพูดให้คนอื่นคงจะไม่กล้าพูดเพราะถามกันที่ไหนเขาก็แทกใส่กันเหมือนกันแต่เออตั น, นี้ก็หลวงพ่อกันเลยตอนเช้าอ้าวาาใครว่างอยากจะฟังอาการเก็บไข้ไปป่วยของลวงตา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 ลงตาเจ็บปวดอย่างไรลงตาเป็นไข่อย่างไรงลงตานอนหลับอย่างไรลงตานอนไม่หลับหรือลงตาเอ่ออาการเป็นยังไงมีไข่อย่างไงเออย่างนี้หลวงพ่อจะพูดให้ฟังได้เพียงเท่านี้แต่เรื่องโรคภยครัยไข้เจ็บนั้นหมอเขาคงจะอธิบายแล้วพูดให้แก่ศรัทธา ญ, ญาติโยกได้ทราบนะกับหลวงพ่อกําลังจะพูดแต่หลวงพ่อพูดเนี่ยไม่ได้พูดออกสถานีนะพูดให้แก่คณะศรัทธา ญ, ญาติโยมบริเวณสารานี่แหละฟังกัน เพื่อให้รับรู้รับทราบหลวงพ่อพูดดังนั้นไอ้พวกใหม่ใหญ่ที่จะออกไปฏิทารช่วยช่วยช่ช่วยช่หลวงพ่ออา้าวทำไมให้หลวงพ่อพูดออกให้เสียงดังไปเลยเพราะลูกศิษย์ลูกหาเขาก็อยากจะรู้อยู่ข้างนอกก็โทรมาเท่าไหร่แล้วเอออย่างนั้นเลยอเอาพูดใหม่พูดใหม่หมจากนั้นหลวงพ่อเลยตั้งต้นใหม่พูดใหม่เออคณะสัทธายาทยมเนะ้อวันนี้วันที่วันนี้เปิดวันที่เท่านั้น ลงตาป่วยมาได้สองวันไม่ได้ลงบิดถวัดวันนี้เป็นวันที่สามอาการลงตาเป็นอย่างงี้นะปฏิบัติพอพูดได้สองวันแต่ในพวกโทรทัศน์ปทําไมไม่ออกโทรทัศน์ทําไมจะออกวิทยุพวกดูไอ้โทรทัศน์ก็อยากจะรู้มันอาการลงตาเป็นยังไงทําไมไม่เปิดเผยใ น, ในอาการลงตาเลยแต่ในโทรทัศน์ก็อดไม่ได้นียก็เลยมา มาพูดกับหลวงพอ่อหลวงพ่อได้ออกทั้งจิตจุ๊ออกทั้งโ ท, ท, ท, ทรทัศน์เลยนี่นั่นแหละสาเหตุนะเออไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเสนอไปไม่ใช่นะใช่ว่าผู้เห็นด้วยกว็มีผู้ไม่เห็นด้วยกว็มีเอลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายคนนะผู้ไม่เห็นด้วยเขาก็บอกว่าหลวงพ่อเอ็นพูดยาวเกินไปเออควรจะพูดเพียงแค่นั้นแค่นี้เขาก็ว่าแต่หลวงพ่อว้เออกอหลวงพ่อก็เห็นว่าการพูดก็เห็นว่าเหมาะสม ขนาดไหนที่จะพูดขนาดไหนไอ้ผู้ฟังนั่นแหละไอ้คนทั้งอื่นเขาตําหนิมาอันนี้ไม่ใช่ว่าอพูดเข้ามาแล้วก็จะให้พวกเราท่านทั้งหลายตำหนิกันง่ายๆมันจะได้เหรอมันก็ต้องอ้างเหตุผลว่าเป็นยังไงมาจากยังไงให้ฟังเนี่ยจะไปกําจัดสิทธิมนุษยชนขนาดนั้นเหรอหลง ว, วงพ่อว่าเพราะเป็นเรื่องหลวงพ่อที่จะต้องพูดในนาหอมากน้อยก็ต้องความเหมาะสม เน้นหนักก็คือหลงพ่อคิดว่าเวลาหลงตาไม่สบายสิบยามในสิบมีหลายคนความคิดเห็นมันต้องแตกแตกต่างกันให้ข้าบอกคนหนึ่งไปตีหลงพ่อบอกว่าพวกเราทุกคนนะถ้ารักพ่อนะทุกคนต้องอยู่ในความสงบเดี๋ยวนี้พ่อเราป่วยเมีความขัดข้องมองใจกันเรื่องอะไรเรื่องต่างๆก็ต้องอยู่ในความสงบต้องรักกันไว้ก่อนต้องทําความเข้าใจกันไว้ก่อนนะพี่น้องทั้งหลายโดยมากผมพ่อจะพูดลักษณะ น, นี้เออ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 ถ้าเราเข้ามาวัดของหลวงตาเราจะมาเพื่อต้องการยศถาบรรดาศัก์แต่ยตำแหน่งหรือมาเพื่อหวังลาบยศเพราะหลวงตาเมตตาเราแล้วหลวงตาให้พวกเราแล้วในสงฆ์อนุฆา์พวกเราแล้วพวกเรามาทุกคนมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาถึงใจใส่สูตรมา ก, ก็ตามแต่ถ้าห้างว่าเห็นห้องน้ำสกรปรกเราล้างห้องน้ำก็ได้ เราไม่ได้มาเพื่ออะไรมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตามาเพื่อความรักเคารพในหลวงตาเห็นไหมอย่างพระเจรกผู้ใหญ่ที่มาในงานพวกเราเห็นเหมือนกับหลวงพอ่อหลวงปู่หลวงตาหลวงหงหลวงตาอายุแก่ๆหาเก็บขยะสององค์ลากถางขยะไปแล้วก็เก็บขยะเข้าถุงเต็มแล้วก็มัดแล้วก็เที่ยวเก็บไปเรื่อยพวกเรารู้ไหมว่านั่นสามสี่สิบพันศานั่นนะ 3, 4, 000, 3, ไม่ใช่พระน้อยๆหนุ่มๆนะอะดูซิแต่พวกพวกเราไม่รู้หรอกแต่หลวงพ่อรู้เลยพระเทระทั้งนั้นเลยที่ท่านเก็บท่านมาเพื่ออะไรท่านมาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตาอย่างอื่นท่านทำมาได้มันหนักงานมันหนักอันนี้งานมันเบาแต่งานทึงงานมันเบาเราต้องคิดว่าจะทํายังไงงานลงตายจะราพรืมไปได้ท่านคิดช่วยกันทั้งหมดเพราะนั้นพี่น้องประชาชนจัดทาญาโยมทุกหมู่เหล่านะเรามานี้มาเพื่อบูชาพระคุณหลวงตา ลงตาเทศนาปาการให้พวกเราเราเข้าใจในธรรมะของลงตาลงตาประกาศอีกแล้วว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วเราจะไม่มาหยีแผ่นดินอีกแล้วเพราะฉะนั้นศีลฉลีละของลงตายังอยู่พวกเราจะทำํำยังไงจึงจะบูชาฉลีละของลงตาให้เป็นธรรมที่สุดให้ถูกต้องที่สุดและบูชาพระคุณของลงตาให้ดีที่สุดโดยมากหลวงพ่อจะพูดลักษณะนี้แต่งานของลงตาทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความราบรื่น ถึงคนจะมามากแต่ทุกอย่างทุกอย่างมาด้วยศรัทธาพอไปไปผ่านไปได้สบายแต่กวันพุ่งนี้นะทนวันพุ่งนี้หลวงพ่อจะเข้าไปบ้านตาดนะวันเข้าไปบ้านตาดคือตั้งแต่เราดวงตาผ่านไปเราก็ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็ยกให้พระหญิงเล็กจุฬาพรเนะ่ ท่านก็มอบให้ลูกสาวของท่านคือพระ อ, องค์เจ้าสิริพาจุธาภรณ์ที่จบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านก็นรวบรวมครูอาจารย์ของท่านมาออกแบบเจดีย์หลวงตาแลในกําลังออกแบบแล้วจะทำยังไงออกแบบพิพิธภัณฑ์จากเจดีย์พิพิธภัณฑ์ตรงที่พระราชทานเพลิงสถิละของหลวงตาจะทํำยังไงจะทําอะไรครอบไหมครอบใหญ่เล็กขนาดไหนในละวันพุ่งนี้แหละ หลวงพ่อจะเข้าไปวันที่13ท่านนัดพบหลวงพ่อกับพระอาจารย์สุดใจที่เป็นเจ้าอาวาดกับคณะสงฆ์บางกลุ่มจะต้องหารือกันคือทางพระ อ, องค์เจ้าสิทธิพากับคณะหมหาวิทยายลัยครูอาจารย์ของศิลปากรมาก็จะหารือกันพอหารือเสร็จเรียบร้อยแล้วปะมีรูปแบบอย่างไรแล้วก็วันที่14บักคณะสงฆ์กลุ่มใหญ่ที่เป็นสิทธิ์ยาวนิสิ์ขององค์ลูกตาและก็พร้อมกับคณะศรัทธาญาติโยกที่เป็นสิ ทางฝ่ายคารวะตั้งแต่ผู้วาราชการจังหวัดตั้งแต่หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุดรจะได้มาประชุมหารือกันอีกที่หนึ่งว่าเห็นด้วยไหมเจดีย <c oughs> อย่างนี้รูปล่างอย่างนี้พิพิธภัณฑ์อย่างนี้เราจะสร้างใหญ่ขนาดไหนจะอธิบายวันที่14แต่วันที่13ท่านจะมาจะหารือก่อนเพราะท่านหลวงพ่อคงจะได้เข้าไปทั้งสองวัน13บกือบสินี่แหละคือเราไม่ได้เนี่งดูได้แต่ว่าตามไม่จริงเจดีหลวงปู่ลีท่านก็ทําอันนั้นคือเจดีหลวงปู่ลีท่านก็ออกขึ้นไป วัดผาแดงอันนั้นก็เจดีย์ลงตาเหมือนกันท่า น, นก็ท้องว่าเป็นเจดีย์ลงตาเหมือนกันแต่ว่าที่วัดป่าบ้านตาดเราจะไม่ทาอะไรเลยหรือเนี่ยอันนี้มันต้องได้คิดนะอบ้านของท่านแท้ๆวัดของท่านแท้ๆ เ, เราจะไม่มีอะไรเลยเหรอเป็นสั ญ, ญลักษณ์จะให้เป็นอย่างนั้นเลยเหรอจบเพียงแค่นั้นเหรอมันก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นเราจะต้องคิดจะทํำยังไงให้ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดที่ลงตาวอ ร, อรนะอจะสร้างเจดีย์นะถ้าจะสร้างสร้างลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์หรือทําคําสอนของเราเราเทศนาว่าการเราทําคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติอย่างไรแนะนําสั่งสอนพี่น้องลูกหลานอย่างไรให้เอานําทําคําสอนของเราเนี่ยที่เป็นคําพูดคําสอนของเราเนี่ยออกมาเผยแพร่ออกมาประกาศออกมาให้แก่พี่น้องประชาชนลูกหลาน ให้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติต่อไปเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเราว่าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์แต่ถ้าจะสร้างเจดีย์ปลุกขึ้นมาเฉยๆขึ้นมาแล้วกลับปลกปลุกแล้ไปเรามองไม่เห็นที่จะเกิดประโยชน์ไม่เหมือนทำคําสอนของเราอันนี้คือท่านพูดแหละอันนี้เพราะเราจะต้องเน้นหนักลักษณะพิพิธภัณฑ์ที่ทำคําสอนของโลกตาจึงไหนที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์เออเป็นอมตะวาจาของโลกตาเราจะสรรหาคำโพ์นั้นให้มาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ อันนี้คือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งมั่นของเรานี่ลหละลูกหลานศรัทธาญาติโยมเงียบๆไม่ใช่นิ่งดูได้นะสำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่ อ, อยังยังจะหาแนวทางเขว่าจะทำยังไงให้ดีแต่บางคนก็เสนอมานะเสนอมาเออหลวงพ่ อ, อผมว่าเนี่ยจดีพิพิธภัณฑ์ก็ใช่แต่ผมว่าน่าจะทำรูปหลวงตา หินอ่อนอย่างหินเราขึ้นไปมาผูก้อนนะหินแองกราร่าหินขาวนะให้ทําให้ใหย่อยเรอวให้ลงตานั่งขัดสมาธิหน้าตักสักเก้าเม็ดสูงสักสิบสี่สิบห้าเม็ดลงตานั่งขัดสมาธิผมว่าเนี่ยเป็นรูปลงตานั่งเลยเ อ, อเป็นรูปนั่งขัดสมาธิลงตาเป็นรูปหินอ่อนเอาหินอ่อนแองกราร่าหินนั้นเลยเออหลวงพ่อก็เห็นด้วยนะวะอ่อ เห็นด้วยถ้าเป็นลูกของท่านเลยนั่งเพราลลงตานเป็นผู้ยิ่งใหญ่นะถ้าจะว่าไปแล้วทาคุณประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมืองดูสิบ้านเมืองจะล่มจมจิบหายนกรสาิบเก้าสี่ศูนยประเทศก็ไม่รอดเนี่ยลวงตาออกมาในช่วงนั้นท่านละดมทุนแล้วก็ประเทศฟื้นตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแปลว่าถ้าเป็นนักมวยเขาแปลว่าเขานอกพื้นลุกขึ้นมาเร็วเลย เร็วเกินกว่าความคาดหมายว่าเงินเดี๋ยวนี้เห็นมันี่ยแต่ท่านก็ยังยาวบิดนะเงินทุกบาททุกสตางนะเงินในคงคังนะอย่านํามาใช้นะท่านสั่งว่าเงินคงคังอย่านํามาใช้ทุกยน์ยังไงก็ตามให้ออกเงินก้อนอื่นมาใชะเงินคงคังเนี่ยไว้ก่อนเงินคงคังเขาเรียกว่าเงินคังหลวงแต่นี่คือลุงตาหมายถึงเงินรัชการที่ห้ารัชการที่ห้าท่านหาเงินไว้ใน เดี๋ยวนี้มันเงินถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมานี่ยประมาณเงินเกือบล้านล้านล้านถ้าคิดเป็นเงินดอลออกมาก็หลายแสนแปลว่าเงินคงคลังของไทยเนี่ยแข็งปกเดือดเลอแต่โลกตาบอดอย่านํามาใช้เงินก้อนเนี่ยเป็นเงินประกันประเทศแต่รัฐบาลยุคไหนกเ็เถอะเดี๋ยวนี้อย่างยุคนายกเนี่ยเหมือนกันเลย เ, เขากําลังจะร่างหนังสือเข้ามาเอาเงินก้อนให้มาใช้มาใช้มีน้ำท่วมเลยนะ แต่พวกลูกศิษย์ลูกหาลงตาเนี่ยก็ล้ตาบอกว่าย่านําเงินมันก่อนนี้มาใช้ให้ยืมยืมเลยเราไม่ว่ายืมต่างประเทศเพอยืมออกมาเนี่ยรัฐบาลได้ยืมยืมเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วมันจะได้รู้ว่ายืมเท่าไหร่มาใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ถ้าว่าเอาเงินก้อนนี้มาใช้มันใช้มันไม่มีที่ไปที่มาเนีมันหม ด, ห ม, ดหมดหมดไปเลยถึงพอมันหมดไปแล้วหนึ่งก็จะท้ากันเอาเงินไปเลยเอาก็อยู่ในประเทศเราจะไปที่ไหน ไปนในประเทศนี่ละที่เอามาใช้เนี่ยก็จะพูดได้เพียงแค่นั้นแต่นีนเมื่อความเดือดร้อนขึ้นมาแล้วป่ะข้าวยากหมากแพงเกิดสึกสงครามแผ่นดินไหวน้ำท่วมข้าว อ, อาหารการบริโภคไม่เพียงพอสึกสงครามเราจะเอาเงินที่ไหนขนาดเศรษฐกิจเมื่อกี้เนี่ยเรายืมเงินประเทศอื่นก็ยังยืมยากใช่ไหมละ่ะอันนี้ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนั้นมาเราจะไปยืมเงินจากที่ไหน มันทำเงินก่อนนี้มันหมดแล้วนี่แหละลวงตาท่านบ่กอย่านํามาใช้ในเงินก่อนเป็นเงินประกันประเทศถ้ามีความจําเป็นยังกวนํามาใช้ถ้าว่าเอามาใช้เดี๋ยวนี้น่ะประเทศมันจะกวงมันก็เหมือนโพรงไม้มันมีแก่นเอแล้วความทุกข์ยากจะตกถึงใครตกถึงพี่น้องหกสิบล้านกว่าคนเน่ยมันไม่ใช่รัฐบาลารัฐบาลชุดนี้มาบริหารเสร็จแล้วเขาก็ไป รัฐบาลชุดหน้ามารัฐบาลชุดที่แล้วก็ได้เป็นรัฐบาลรัฐบาลชุดหน้าก็บอกว่าข้าไม่เกี่ยวเพราะรัฐบาลชุดที่แล้วเขาออกมาใช้ข้าไม่ได้ใช้กับเขาแล้วจะทํำยังไงในความทุกข์ยากมันก็ตกไปถึงพี่น้องประชาชนเพราะฉนั้นสิ่งเหล่านี้นะ่ะพวกเราฟังไว้นะลูกหลานสถาญาติโยมนะถ้าว่าพระวัดป่าบ้านตาดเคลื่อนไว้เลยยาน้าเงินออกมาใช้เห็นพวกเราลุกคือพร้อมกันเลยเออให้ลุกพร้อมกันเลยเออ ถ้าว่าไม่ลุกพร้อมกันไม่ได้นะต้องลึกทุกแห่งหนเลยยกมือพร้อมกันเลยไม่ให้ใช้เงินทุนนี่ไม่ให้ใช้เอาไว้ก่อนอถ้าถึงใช้ไปเงินประเทศกวงมันไม่มีจุดหมายปลายทางในพวกนี้เอามาใช้ใช้ใครก็จะเอาเงินมาใช้พรเปิดปากถุงเลยคอมิชชั่นค่าปากถุงเท่าไหร่หมดไปกี่ร้อยกี่พันล้านเลยไม่รู้เงินตั้งหลายแสนล้าน น, ะนี่แหละหลวงพ่อเคยพูดเคยแนะนำํำจท่ายญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าที่มาฟังเนอะ ถ้าว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะ่ะเนี่ยลงตาสั่งเสียนะในจุดนี้นะ่ะเพื่อประเทศชาติเพื่อบ้านเพื่อเมืองของเราไม่ได้เพื่อผู้หนึ่งผู้ไกลหรอกแต่หลวงพ่อเมื่อกี้เนี่เลขารัฐมนตรีนะถ้ามาประชุมอยู่ที่รัฐมนตรีสัญจรนะที่จังหวัดอุดรเมื่อข่าวที่แล้วนะ่สองสามเดือนที่แล้วนะเขามาเขาเข้ามาแวะหลวงพอ่อเอา้าเป็นไงเรื่องเงินหลวงพ่อเป็นหงเงินลงตานะใช่ท่าน ตันเรียกว่าบล้มตาผมเลยเป็นเลขารัฐมนตรีเขาก็ยื่นเรื่องเข้ามาแต่เรื่องเข้ามาพบกัโอ้ภายในสามวันเขาจึอมาให้ตรวจแล้วก็ส่งเข้าไปรัฐมนตรีประชุมผมเครียดมันไม่ใช่ขึ้นสมองนะไม่ใช่ปวดหัวมันปวดท้องในความเครียดมันลงท้องสามวันแต่มันก็ปิ้งในไอเดียปิ้งในหัวเงินก้อนนี้คือเงินประกันประเทศถ้าจะเปรียบเทียบกับเหมือนพักแก้วมรดก ถ้าหาว่าพระแก้วมรกตนะเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประเทศถ้าเรานําพระแก้วมรกตมาทบุบแบ่งกันคนละชิ้นแล้วจะเป็นสมบัติของประเทศได้อย่างไรเพราะมันแบ่งกันละ่ะอันนี้ก็เหมือนกัน่ะเงินก้อนนี้คือเงินประกันประเทศเป็นสมบัติของประเทศถ้าเอามาแบ่งกันล่ะมันก็หมดเลยทันเนี่ยเ อ, อมันหมดถ้าเล็งละลายไปหมดแล้วจะทำยังไงต่อไปภายภาคห น, น้าจะเป็นเครื่องประกันประเทศได้อย่างไรเนี่ย นั่นแหะผมว่าก็าเลยไม่นําเข้าก็ได้เสนอกันไปขอให้ยืมยืมดีกว่าเงินก้อนนี้ถ้าเอามาใช้ประเทศจะปั่นปวดก็เลยยังอยู่โอ้โหหลุงพ่อว่ะถ้ามีคนอย่างนี้เห็นคุณค่าอยู่ก็ประเทศชาติก็คงจะไปได้แต่ถ้าว่าเห็นเอาเงินก้อนนี้มาละเลงละลายเข้าไปแล้วหลวงพ่อโอ้น่าเป็นห่วงนะงเศรษฐกิจอีกอย่างนี้อีกเลยติตามไม่จริงไม่ใช่ว่าเราไม่อยากจะให้ใช้ แต่ว่าเราไม่ไว้ใจคนที่นําเงินออกมาใช้ถ้าคนนําเงินออกมาใช้มีคุณภาพมีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมเอามาใช้เต่าไหไรเอากลับคืนเราไม่หวายื้เอเงินออกมาใช้โดยศีลธรรมจริยธรรมแต่เอามาใช้แล้วหายไปเลยหายไปเลยหายไปเลยแล้วใครเป็นคนรับบาปรับกรรมในที่เอาเงินออกมาใช้นั้นประเทศชาติหกสิบล้านกว่าคนจะเป็นผู้รับเคราะรับกรรมเ น, นี่ยเนี่ยอันนี้เลย อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่หลวงตาได้สั่งเอาไว้เพราะฉะนั้นพวกเราลูกหลานทุกคนนะฟังฟังเอาไว้นะถึงจะนอกประเด็นสักหน่อยก็คือในประเด็นอแล้ววันนี้หลวงพ่อจะมอบหนังสือให้นะเอ่หลวงพ่อจะไม่พูดอะไรมากมอบเอ็มพีสามดังหนังสือให้เอาไปอ่านในหลวงพ่อแต่หนังสือเรื่อนี้คิดว่าหมดยังไม่มาก หลวงพ่อแจกเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเนี่ยนะหลวงพ่อแสดงธรรมตั้งแต่ปี43นะวันที่13เมษายนพุทธศักราช2143และก็วันที่14เมษายนพุทธศักราช2543ใน ง, งานศพเด็กอายุ 15-16 ปีเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดน่าสงสารเหมือนกันนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าเด็กตายได้ทั้งนั้นเพราะนั้นยายตั้งอยู่ในความประมาท ให้สังสมคุณงามความดีอันไหนที่เป็นคุณงามความดีให้สังสมอันนั้นีน่อันนี้หลวงพ่อได้เทศวันที่สิบสามกับวันที่สิบสี่หลวงพ่อพูดวันที่สิบสามเมษายนพุทธศักราชสองพันรอยสี่สิบสามเนโดยมากหลวงพ่อจะพูดเกี่ยวกับคุณบิดามารดาพ่อใหญ่พวันสงกรานและวันปีใหม่เนโดยมากลูกหลานไป ทำงานในโรงงานพอกลับขึ้นมาแล้วก็กินเลี้ยงมาจากโรงงานเมาแต่เออบางทีขับรถขับลาชนเฉียวแะ้วก็ไม่รู้แ่ะพอมาถึงบ้านก็เมาในบ้านอีกเออเพราสุดเมาจากบ้านอีกไปถึงสำนักงานต้องหายเมาพอหายเมาอะไรทะนี้ก็ทำงานหลวงพ่อว่าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกหลานนะตาไม่จริง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 ใครพาไปหาหมอการอู่กินเป็นยังไงต่อไปเราควรจะลงขันกันยังไงให้พ่อให้แม่เดือนละเท่าไร่เดือนละห้สิบาทเดือนละร้อยบาทก็เป็นไรไปเม่พ่อเรามีเท่านี้เราก็ส่งให้เดือนละร้อยบาทอย่างนี้ก็ได้ดีกว่าอยู่กับพ่อกขาแม่ให้เลี้ยงอ่าจอะตัวเองก็นู่นไปทํางานนะแล้วไอ้น้องไอ้พี่ได้หยุดในนั้นล่ะจะเลี้ยงได้ยังไงเพราะพี่น้องมันไม่ใช่พ่อแม่ของคนที่อยู่ด้วยเท่านั้น่ะก็พ่อแม่ของเรา พวกเราต้องรับติดชอบร่วมกันเนี่ยนะหลวงพ่อจะพูดลักษณะนี้เวลาวันสงการวันปีใหม่นะไม่ใช่ขึ้นมาแล้วพอพูดขึ้นมาล่มะมรรกควรจะแบ่งนะพ่อแม่นะที่ไรที่หน้าแบ่งง่นอย่างนี้นะทําให้พ่อแม่หนักอกหนักใจขึ้นมาอีกทั้งที่จะพ่อแม่จะเบาใจเพราะฉะนั้นนะพวกเราที่เป็นลูกนะต้องคิดจะทํายังไงจึงจะให้พ่อแม่เบาใจช่วยพ่อแม่ เกิดมาเออพ่อแม่ไปไงที่รับที่นอนไปไงที่นอนม้อนมุงไปไงสะอาดไหมเปลี่ยนไหมเนี่ใครพวกเรามาเอาซักเสือ้อซักผ้าให้พ่อให้แม่ร่วมกันออจากนั้นก็ปรึกษาปรับลกันพ่อแม่ไปหาหมอกี่ครั้งใช้ยาเท่าไหร่มีอะไรอันนั้นคือหน้าที่ของลูกที่ดีหน้าที่ของลูกเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศสกุลประพฤตตนให้สมวควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านร่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้คือหน้าที่ของบุตรธิดานี่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อยิ่งวันสงกรานต์หลวงพ่อจะต้องพูดถึงพระคุณของบิดามารดาเหตุในการนี้ของเมือนกันที่เขาอ่านมาหลวงพ่ออ่านอ่านเออจะเข้าท่าเป็นกันหลวงพ่อยกอุ ป, ปมาอุปไมยบอกว่ามีในครั้งพุท ธ, ธกาลมีพราหม์คนหนึ่งคือสมัยเดี๋ยวนี้อินเดียเขามันมีอยู่วรนละสีใช่ไหมบรรณกษัตริย์บรรณพราหมบรรณแพทย์บรรณสูตรมันสีวันณะทีนี้ วันพรามเนี่ยที่ยันอยู่ในปัตยปิฎกในธรรมปทัศกถาเนี่ยมันบอกว่ามีพรามคนหนึ่งแต่งงานแล้วก็มีได้ลูกด้วยกันเก้าคนชายล้วนเป็นลูกชายทั้งหมดเก้าคนต่อมาก็ลูกกําลังจะเป็นหนุ่มแม่ก็เลยตายไปยังเหลือแต่พ่อผู้พ่อเนี่ยก็เลยจัดการแต่งงานให้ลูกทุกคนมีครอบครัวทั้งหมดทั้งเก้าคน แต่พามคนนี้นะ่ะกับแม่บ้านภรรยานะหาเงินได้เงินเตียนี้มีเงินอยู่หนึ่งล้านพ่อเงินถึงล้านเนะี่ยกับอะลูกชายแต่งงานเสร็จแล้วก็พ่อเงินที่เก็บไว้นะ่ะพวกผมจะขอมาแบ่งจากคุณพ่อมาเพื่อเป็นทุนในการทาํามาค้าขายคุณพ่อจะคัดข้องไหมพ่อเอ้ยไม่คัดคล้องเราหามาก็เพื่อลูกนะั่นแหละเอาแบ่งกันจัวเจ้าจะเอาเท่าไหร่ก็เลยแบ่งกันคนละแสนนัแสนแสนพ่อก็ได้แสนหนึ่ง เงินล้านหนึ่งพ่อก็ได้แสนหนึ่งรวมนั่นกัคนละแสนพอต่อมาอีกลูกก็บอกโอ้เงินขาดมือพ่อยังไม่พอขอเบิกอีกขอแปลงอีเท่าพ่อขอจากพ่อตรงนั้ไอ้พวกผมจะเลี้ยงพ่ออยู่แล้วล่ะเอาขอคนละหมื่นเออเอาพ่อก็ให้อีกคนละหมื่นยังเหลือพ่ออยู่หมื่นนึงเออพอต่อมาอีกว่าพ่อมันจะขาดจะขออีกคนละพันอ้าวพ่อให้อีกคนละพันเจ้าคนละร้อยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เหมือนเด้อเออ ตอนี้ก็พ่อยังเหลือเงินหน่อยหนึ่งเถนี่พ่อกเก็บไว้พ่อต่อมาต่อมาเถอะนี่ไอ้พวกลูกชายกับนี่แต่ทาการทํางานทํามาเรื่องทไอ้กับแม่บ้านก็อยู่บ้านเนียลูกสะภ้ยก็อยู่บ้าน อ, อลูกสะภ้ยกับคนโตก็บอกว่าเอ้ยโป้เนี่ยไม่รู้จักบ้านอื่นนะรู้จักแต่บ้านของเราแต่เงินแบ่งเสมอกันหมด อ, อแต่ไม่รู้จักบ้านคนอื่นอยู่แต่บ้านเราให้เราเลี้ยงให้ดูพูดหลายครั้งตายคน ไอปูเนี่ก็โอ้ลูกสะ๊ไพไล่แล้ววะก็พูดกนะักแนแหนกันแหนยังไม่เอาหนีก็เลยมาอยู่กับคนที่แปดไอ้ลูกจะ๊กไพคนที่แปดก็พูดอีกอย่างเก่าเลยลงมารวนที่เจ็ดที่ห้าที่สี่ที่สามจนถึงคนที่หนึ่งพอถึงคนที่หนึ่งพูดอีกอย่างเกา่าเออาวข้ามาอยู่กับเขาแล้วหนีดีกว่าไปหาขอทานกินดีกว่าถ้าเป็นลักษณะจริงพ่อเนี่ยก็เลย อได้ย่ามว้หนึ่งก็ใส่เสื้อผ้าตัวสองตัวใส่ในย่ามแล้วก็ได้กะลามะพร้าว่อโลอะไรก็ไม่รู้อะไแต่ได้ไม้เท้าเนี่ยนะสัดเซปเณจรหาอยู่หากินไปตามลําพังเลยขอทานไปเลยกินไปเรลยอาบน้ําจีนนอนที่ไหนไม่ว่ากันเล อ, อสัดเซปเณจรไปหาอยู่หากินไปเรื่อยท่นี้ไปถึงหน้าวัดป่าเชตตะวันมหาวิหารเอได้ยินมาสมมณะโคดมพุทธเจ้า เป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้แนะนําสั่งสอนคนท่านคงจะให้อะไรสักอย่างนั้นท่านท่านไม่ให้วัตถุข้าวของแต่คงจะให้แนวความคิดเราควรจะเข้าไปกล่าวพระพุทธเจ้าพรามคน ค, คิดแต่ได้ก็เลยเข้าไปในปัตปบะเชตะวันพอไปเห็นพระพุทธเจ้าก็เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาพราม์ก็เข้ามาเข้ามาพราม์มีอาชีพอะไรทําำมาการเลี้ยงชีพทํา ด้วยอะไรไปยังไงมาจากยังไงพรมามคนนี้ก็เลยพวอโอข้าพ่อองค์ตะก่อนก็มีอยู่มีกินมีอ็นจะอยู่จะกินเ อ, อแต่มากกับแบ่งให้ลูกพอลูกขึมากอเอยลูกเขาไม่เลี้ยงเอเขาพูดกันแหนกันแหนข้าพ่อองค์ลำคาญกันเลยหนีออกมาจากนี้แหละข้าพ่อพระองค์บอกว่าพราม์เอาไหมเราจะสอนสูนถอนพรพ์หรือว่าคําพูดเ อ, อเรียกว่าคาถาที่คําพูด ที่จะแนะนำสั่งสอนลูกของตนเองลูกของพราม์เนี่ยพราม์จะกล้าพูดไหมพราหมณ์บอกว่าถ้าพระพุทธองค์สอนอย่างไงข้าพระองค์จะพูดดังที่พระพุทธองค์เนี่ยบอกให้ข้าพระองค์พูดเออทำอย่างนั้นเอาเราจะบอกให้เราจะสอนให้พระพุทธองค์ก็สอนสอนพรามณ์ก็จําได้าจา ไ, ได้อา้าไปไปถึงบ้านให้ประกาศนั่นะบอกว่าเออเราหนีจากบ้านไปนานเรามากลับมาอีกแล้ว เราอยากจะพบกับญาติพี่น้องลูกหลานโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกชายลูกสะภ้ยหลานทั้งหลายและญาติของเราทั้งหลายเรามีเรื่องที่จะพูดให้ฟังขอให้พวกท่านทั้งหลายมาฟังเพราะเราจะได้อำลาอีกเพราะเราไปคราวก่อนเราไม่ได้อำลาใครแต่บัดนี้เราจะอำลาเป็นเรื่องจริงจังแต่ที่คนทั้งหลายก็ลูกทั้งหลายก็เออพ่อคงจะเป็นหนี้เป็นศิน กับคนอื่นยังมั่งคงจะมามอบหนี้สินอีกคงจะมาขุดที่ทองและเงินที่ฝังไว้กับมั่งไงไอ้พวกที่โลภทั้งหลายมันก็จะคิดอย่างนั้นใช่ไหมแต่นี้ก็พอมากกวคนมาฝังทั้งลูกสะพ้าลูกชายทาั้งหลานทั้งญาติพี่น้องมาพอก็ขึ้นมาพามแล้วก็ขึ้นบนศาลาศาลาประชาคมนั่ะขึ้นบนฟอร์สูงๆนะั่นพอมันขึ้นยืนเสร็จแล้วนะพามก็เลยกล่าวกล่าวเป็นคาถา ที่พระพุทธเจ้าแนะนำที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนพรามทำเป็นลูกเหมือนให้ด้วยนะพรามพรามขึ้นไปยืนเสร็จแล้วพรามบอกว่าตับพายย่ำด้วยนะถือหมอนด้วยถือไม้เท้าด้วยพรามกาวคาถ้าว่าเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนไจ่ไมยคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมาย ได้ค้ำกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบพานสัตว์ร้ายจะวายวุ่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะาะเลยอันนี้คือที่พระพุทธเจ้าสอนาพามให้พูดเหือนนเลี้ยงบทสุดแสนจะลาบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจ่ไหมคล้ายๆ ก, กับว่าพามบอกบรรยายแล้วว่า เลี้ยงบุตรสุดแทนจะไแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนจะไหมแล้วกับบรรยายของคุณไม้เท้าเลยคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายได้ค้ามกายย่างย่องจ้องจดจุนจะเดินทางไปข้างไหนไกลสถานเมื่อพบทานสัตว์ ร, ร้ายจะวัยบุน่นเอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคงมีคุณกว่าลูกที่ปะ่าละเลยใชไใกล้ๆกับไม้เท้าของพ่อนี่นะหมาจะมาพ่อจึงเวียงหมาก็ยังกลัว วัวควายมาพ่อยกขึ้นมาควายก็ยังกลัวมไม้เท้าของพ่อนี่มีประโยชน์แต่ลูกของพ่อทั้งเก้าคนที่เลี้ยงมากับมือไม่มีประโยชน์สู่ไม้เท้าพ่อไม่ได้เอออันนี้คือพามันรยายมันก็น่าคิดเหมือนกันนะเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจใหม่คือตามไม่จริงพ่อแม่เลี้ยงลูกามาเนี่ยเลี้ยงลูกมาเพื่อ ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชราเราก็จะได้พึ่งพาอาศัยลูกอันนี้คือส่วนลึกของใจทุกคนเอไม่ใช่ว่าเลี้ยงใหญ่มาเหมือนลูกทางภาคตะวันตกนะเหนือนั้นเขาเลี้ยงลูกมาแล้วต่างคนต่างนี้ไปโตอพอเท่าแก่ชลาแล้วไปอยู่ในะบ้านคนชราแต่เมืองไทยหรือเมืองจีนเขาไม่เป็นอย่างนั้นเพรมันต้องอาศัยบุตรที่ด่าอันนี้เลยคือเรื่องนึ่งเรื่องที่สองเนหลวงพ่อพูดอีกท่านบอกหลวงพ่อบอกว่าอันนี้มาในชาดกน พระพุทธเจ้าพูดเรื่องชาดกชาดกเรื่องนี้ในครั้งพุศการมีาพามณ์คนหนึ่งแต่งงานและการได้ลูกชายคนหนึ่งพอต่อมาลูกชายเป็นหนุ่มแม่ก็เลยตายพอแม่ตายแล้วก็พ่อก็เลยแต่งงานให้ลูกชายก็ได้ลูกสะภ้ยมาอยู่ในบ้านพอต่อมาอีกพ่อป่วยว่าพ่อป่วยเป็นอัมพาตพอเป็นอัมพาตเลยลุกไม่ได้นอนอยู่กับที่ เวลาไปทํางานเอพ่อสามีไปลูกสะภ้ยก็ต้องอยู่เฝ้าปู่ต่อมากันสองคนเขาก็มีลูกขึ้นมาอีกลูกก็เป็นเด็กพอเป็นหนุ่มพอใช้ได้ถ้าพ่อแม่ไปลูกก็ต้องอยู่เฝ้าปู่ถ้าไหมก็ต้องพ่อต้องเฝ้าปู่แม่ก็ต้องไปลักษณะอย่างหรือผัดเปลี่ยนกันไปผัดเปลี่ยนกันมาผลที่สุดลูกสะภ้ยก็ไม่พอใจในปู่บอกว่า อ, อ ปู่ในตายก็ไม่ตา ย, ตา ย, ตายหายก็ไม่หายทำอย่างนี้มันจะอยู่เท่าไหร่จริงจะตายก็เลยบอกผัวว่าฮะยอดทีรักจะเอาฉันไว้แลจะเอาปู่ไว้บ่น <c oughs> บอกยื่นโนติเหมือนกันเถอะท่างบอกให้ผัวผัวเลยเอ๊่่่่่่ อ, อ่่ อ, อ่่่่่่่่่่่่่อ่เ่่่่่่่่่่พ่นน่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่น่่ป้อนข้าว่้อนนับไมู่่้สึกอะไรอยู่่ล้วเ อ, วอวเ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ง่่่่่่่ี่่่่่่่่่่่่่่่ ไอ้อผู้ผัวจะให้ผมทํำยังไงเอาจะไปยากอะไรเอาไปจัดไปผมไปฝังไปทิ้งที่ไหนก็ได้คนไม่มีสติแล้วมันหมดแล้วจะตายอยู่แล้วทางผู้ผัว เ, เออเอาก็ต้องเอาเมียเอาไว้เดี๋ยวจะจัดการแต่นี่ผู้ผัวเลยใสสารตะก้าใบบักใหญ่เหมั้นกัะเอยพอสารตะก้าใบบักใหญ่เสร็จแล้วก็วันดึกส ง, งดัดเ อ, อไม่มีคนแล้วก็เรียกลูกชายลูกชายก็เป็นหนุ่มแล้วไนดะ้ไ อ, อ้โลก จะไปไหนนะวันนี้ลูกชายก็เห็นพ่อสั่งขึงขังอะไรอยู่บ้านมันพอดึกสงัดป่ะปะจับขาปูแล้วพ่อจะจับลักแล้พ่อก็จับถังลักแล้เพื่จับปูแล้วเลยไม่ใส่ตะก้าบักใหญ่ใส่ตะก้าไว้อพอเสร็จแล้วก็เอาไม้คานหามเลยนะเออหามปูไปไปทางหน้าพ่อก็พาไปแส้งพ่อสั่งท่านนี้นก็ไปทางนั้นเหมือนกันแตพอไปถึงป่าช้าวันนี้ ประชาอะไรวางเก็เลยบอกลูกชายลูกลูกชายลูกที่พ่อหามปู่มานี่ยนะพ่อว่าปู่จะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเป็นเครื่องลําบากแต่ปู่ก็คงอยากจะตายเพอแรงแล้วแหละแต่ไม่ตายเพราะฉะนั้นพ่อเห็นว่าน่าจะขุดหลุมฝังเลยให้จบจบไปเราก็จะได้สะดวกสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนถังลูกชายก็ยืนฟังพ่อพูดเนี่ยลูกชายยืนฟังพ่อพูดบอกว่า่อพ่ อ, พอ ถ้าพ่อจะฝังทั้งตะก้าเลยผมจะขอตะก้ากับจอบที่ขกดฝังเ่ยเอาไว้เป็นที่ระลึกด้วยพอ่อเอ้ยจะเอาไว้ทําไมอา้าต่อไปภายภาคหน้าถ้าพ่อเป็นอา ม, มาพาิกอำมาภาดผมจะได้ชวนลูกชายเอาตะก้าใบนี้กับจอบมาฝังพอ่อเหมือนกับพ่อมาฝังปู่เนี่ยมั้งพ่อก็อยืนอึง่งละปะปไปไปหามกับ เอาทาไมาเจึงกับไม่ได้เดี๋ยวกรมตามสนองไม่ได้เดี๋ยวกมตามสนองก็เลยเลยหามกลับมารักษาปู่อย่างเก่ากันนี่แห<ม>ละเวลาไปหามปู่ไปทิ้งเลยแค่ว่าให้ปู่หมดกรรมบทดเวรใช่ไหแต่ว่าลูกชายเขาจะหามตัวเองมาทิ้งหนึ่งไม่ได้ไม่ได้หมดมนุษย์มันเห็นแก่ตัวมากถึงขนาดนั้นเนี่แหละอันนี้ก็คือ หลวงพ่อว่าถ้าว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าไม่พูดเรื่องคุณบิดามารดาจะให้พวกใครไปให้ปากไปพูดอะไรพระคุณบิด า, านั้นมารดาเนี่ยคงไม่มีใช่ไหมเออนอกจากพระสงฆ์ที่ไนั้นจะพูดพระคุณของบิดามัรดาให้แก่ชาตายาติโยมผิดน้องประชาชนได้รับรู้รับทรบาบว่าพระคุณบิดามารดานี่ยคืออะไรในหลักของพุทธศาสนาัติทินทั้งหกเออแต่พวกเราได้เรียนแต่ทิศ ท, ทั้งสี่กับทิศ ท, ทั้งแปดใช่ไหม ทิศทั้งหกนั้นไม่มีในตำราเรียนนะทิศทั้งสีคืออะไรทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ไงทิศทิศทั้งแปดคืออะไรเอทักษิณอรดีเอพายับอะอันนี้ก็คือทิศทั้งแปดที่พวกเราได้เรียนแต่ทิศทั้งหกนั้นคืออะไรทิศทั้งหกนั้คือพระพุทธเจ้าจะเจด็จประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ มีสิงค์คาล์มานพเป็นลูกเศรษฐีไปเรียนเมืองตะ ก, กัศสีลาพอเรียนจบมาแล้วอพอกลับมาเมืองแต่เมืองตะกัศสีลาเนี่ยเมืองทารีบันทุกวันนี้นะเมืองที่เมืองทารีบันที่มันลบ ก, กันอยู่เดียวเนี่ย น, น, นี่แหละเมืองตะกัตสีลาเก่าแก่แล้วพอมีพระพุทธรูปยืนที่เขาไอ้ทารีบันก็ยิงขาพระพุทธรูปที่ทําลายพธะโต๊ะคือเมืองทาลีบันคือเมืองตะกัศสีลาเก่า แต่เมืองนี้เป็นเมืองที่กันดานมากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาโดยมากทิะปามโมกจะเกิดอยู่ที่กันดานที่แห้งแล้งเห็นไหมอย่างตะกอนภาคอีสานเนี่ยเป็นที่แห้งแล้งทุงภูเสาพุงปูมันมาเกิดแล้วกัภาวนาสู้โดยมากที่กันดานจะเกิดอัจฉริยะนะเพียว่าสู้กับธรรมชาติสู้กับสุขสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นตะกัศิลาเนี่เป็นเมืองที่กันดานทีิศปามโมกอาจารย์จะเกิดใน ที่กันดานเพราะฉะนั้นในยุคสมัยนั้นเขาก็กษัตริย์ก็ดีพรามก็ดีใครจะไปเรียนเอาวิชาเนี่ยต้องไปเรียนอยู่เมืองตะกะศิลาอย่างหมอชีวโกโกมรภัตรเนี่ยเขาไปเรียนอยู่ที่เมืองตะกะศิลาเหมือนกันไปเรียนแพทย์จากเมืองตะกะศิลาเรียนแพทย์ตะกะศิลาเรียนยังไงพอไปเรียนเนี่ยเตียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะจบหมอชีวโกโกมลภัตรก็ไปถามอาจารย์ครับผมเลยจบเลยยัง อาจารย์ก็ไม่รู้ความจบนึ่นคืออะไรทำให้ทุกวันเนี่ยสามปีหกปีใช่ไหมเรียนแพทย์เนี่ย ม, มันกระจบแต่ที่ซา ป, ปโมกอาจารย์เนี่ยบอกว่าโกมารพัฒให้เธอเข้าไปดูที่ต้นไม้ในป่าเนี่ยต้นไม้ตนน้นไหนที่ไม่เป็นยาที่ไม่เป็นยาต้นไม้ในป่าต้นไหนตัวนี้ไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยาอะไรแล้วมาบอกเราไปเข้าไป เนี่ยเพราะว่าชีวโกโมรารพัฒนเข้าไปถามมาผมจบแล้วยังใช่ไหมอาจารย์ก็เลยไล่เขาไปในป่าเขาไปดูต้นไม้ต้นนี้เป็นยานั้นต้นนั้นเป็นยานนต้นนี้กับต้นนี้กับต้นนั้นเป็นยาผสมมันเป็นยังไงให้แค่มันผสมกันในต้นไม้เอเอี่อมันหวานมันเปรี้ยวมันส้มมันอะไรต่องมันก็เป็นยาประเภทหนึ่งขึ้นมาแปลว่าหมอชีวโกโมรารพัฒนเดินเข้าป่าอยู่สองสามวันตรวจตาอยู่ต้นไม้ต้นไหนที่ไม่เป็นยาไม่มีกลับมาหาอาจารย์อาจารย์ครับ ผมไปดูแล้วในป่าเนี่ยต้นไม้ทุกต้นเป็นยาทั้งหมดครับเออนั่นแหละจบแล้วนั่นแหะสมัยก่อนเขาจบแพทย์จบหมอเนี่ยเขาไม่ได้เรียนตำราเลยไปดูต้นไม้ต้นไนห้ว่าไม่เป็นยาเลว่าจบแหละอันนี้คื อ, คอที่สัประโมกอาจารยออ์จากนั้นถ้าก็จบมาแล้วกันเป็นหมอเลยนั่นแหละสินค้คาล์มานพเนี่ยเหมือนกันไปเรียนวิชาอาชีพธนารค้าขายเพราะตัวเองเป็นลูกเศรษฐีมีอันจะกินพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยพ่อก็ป่วยนะ่ะ พ่อป่วยนัก hey? พ่อก็เรียกเข า, เามาลูกๆกขามาหาพ่อก็มาก็ไปจับมือพ่อก็จับมือมองหน้าลูกเลยขอให้บริหารทรัพย์สมบัติให้ดีนะลูกนะถ้าหากว่าลูกบริหารทรัพย์สมบัติให้ดีลูกจะมีแต่ความเจริญให้ลูกเคารพ บ, บูชาคารวะทิศทั้งหกนะลูกนะให้เคารพบูชาคารวะทิศทั้งหกนะลูกนะถ้าลูกบูชาคารวะทิศทั้ง6ลูกจะมีแต่ความเจริญพอพูดเท่านั้นพ่อก็เลย ขาดใจตายสั่งเสียท่านนะตอนนี้สิงคารละมานพกับรู้สึกเสียใจมากเมื่ออจะนั่งจัดงานศพของพ่อจัดงานศพของพ่อเสร็จแล้วกว็ที่พ่อสั่งเสียเป็นวาจาที่ว่าสักสเร็จแล้วว่าเป็นวาจาจุดท้ายเป็นวาจาเอาจริงเอาจริงจับมือเลยกัสั่งเสี ย, ยสิงคารละมานพกับต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตอนเช้ามาเนี่ยแต่ออกไปแต่เช้ามืดไปที่ชายทุ่งนะไปที่ลานสนาม ไปกับยกมือไหว้ทิศ ต, ตะวันออกยกมือไหว้ทิศ ต, ตะวันตกยกมือไหว้ทิศเหนือยกมือไหว้ทิศใตย้ต ย, ยกมือไหว้บนอ า, ากาศยกมือไหว้เบื้องต่ํามันก็หกพอดีใช่ไหมเออทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกเบื้องบนเบื้องล่างคมันทิศถกพอดีแปลว่าเขาทําอยู่อย่างนั้นตลอดไม่มีหน้าแล้งไม่มีฝนไม่มีหนาวไม่มีฝนตกอฝนตกนตก็ไปเออเพราะปฏิบัติตามคําสั่งของพ่อ ใดน้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดป่าเชิตะวันมหาวิหารวันนั้นจวนสว่างสิงคาลมานพเข้ามาในข่ายคือพยานคือดยานธัชนะของพระพุทธเจ้าจวนสว่างพระพุทธเจ้าเหมือนกับแผ่เดราเดาร์ไปใส่เรดาร์เป็นรอบกันเลยสิงคาลมานพเข้ามาอยู่ในข่ายคือพญานเออสิงคาลมานพเนี่ยทําไมเรื่องอะไรเออสิงคาลมานพเนี่ยเขาเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนซื่อตรงเราควรจะไปโปรดเขา เขาจะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลคนหนึ่งเพราะเป็นคนรับคําสั่งแก่พ่อแต่ว่ารับคําสั่งจาพ่อพ่อมีเจตนาอย่างหนึ่งแต่สินค้าลมานพเนี่ยเขาไม่ได้ถามพ่อว่าทิศทั้ง6นั่นคืออะไรเขาไม่ได้ถามแต่ที้เขากระ ย, ยิบทิศอย่างที่เขาเข้าใจแต่มันไม่ถูกแต่ที่พระพุทธเจ้า ก, ก็สว่างขึ้นมากันเลพระอ น, นุนเดินตามหลังเป็นปัจฉาสมณะคือเดินบินธบัตตามหลังพระพุทธเจ้าพอไปเห็นสินค้าลมานพกําลังยืนไหว้ทิศทั้ง6กไง แเหมือนกับเขาเล่นมวยเจ็กอย่งนั้นยกซ้ายยกขวายกหน้ายกหลังเออมวยเจ็กเงินเ อ, อออกกําลังแต่คนไม่รู้ที่นี้พระองค์ก็ะามอ่ะสิงคาลมาน ก, กุมารเธอทําอะไรสิงคารมานกบอกว่าข้าพระองค์เขารบทิศทั้งหกคารวะเขารบทิศทั้งหกพระเจ้าข่าใครบอกใครสอนใครแนะนําบิดาของข้าพระองค์เป็นผู้แนะนําครับผมบิดาว่ายไง บิดาบอกว่าให้คารวะถ้าอยากจะเรือรุ่งเรืองในเป็นการเป็นคารวะและบริหารจัดการทรัพสมบัติให้ลูกเคารพคารวะกราบไหว้นอบน้อมทิศทั้งหกนะลูกนะเพราะท่านข้าพระองค์ปฏิบัติตามคําสั่งของบิดาแต่ได้ถามบิดาไม่ว่าทิศทั้งหนั่นคืออะไรไม่พระเจ้าข้าพาบบิดาสั่งเสียแล้วก็ท่านก็ใจขาดก็ตายไปมันไม่ถูกนะสินคาละมนุษทิศทั้งหกที่เธอทำเนี่ยมันไม่ถูก ถ้ายากจะให้ถูกนะั้นตามความเห็นของบัณฑิตนักปราชญ์ทิศทั้งหกจะไม่ทําอย่างนี้ไม่ทําอย่างที่เธอทําไม่ใช่กาบทางตะวันออกกาบตะวันตกยกหัวไหลทิศเหนือที่ใต้ที่เบื้องสูงเบื้องต่าไม่ใช่ทิศทั้งหเธออยากจะศึกษาไหมอยากจะรู้ไหมตามบัณฑิตนักปราชญ์ที่เขาแนะนํากันมาครับผมพระพุทองค์บอกว่าฟังเพราะพระพองค์บอกว่าทิศเบื้องหน้า มารดาบิดาเมื่อบิดามารดาเลี้ยงเรามาแล้วต้องเลี้ยงท่านต่อทำกิดธุระของท่านดำรงวงศ์สกุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านนี่นะทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหลังสามีภรรยาสามีมีหน้าที่อะไรรับผิดชอบอย่างไงในครอบครัว อ, อ, อย่าย่ำเย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 เราจะไว้เนื้อเชื่อใจกันได้อย่างไรถ้าไม่มีมิจฉาหายที่ดีถ้ามีมิตรสหายดีจะเจริญเพราะนั้นมิตรสหายเนี่ยต้องคบให้ดีและก็ทิศเบื้องบนสมมนพราหมณ์สมณพราหมณ์ก็คือนักพจนักบวชแนะนําสั่งสอนว่าอันดีนะอันนี้ชั่วอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรทําอันนี้ไม่ควรทําอันนี้ควรพูดอันนี้ไม่ควรพูดอันนี้ควรคิดไม่ควรคิดสมณพราหมณ์จะแนะนําไปในทางที่ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องฟัง ต้องตั้งใจฟังสมณพราหมณ์ผู้แนะนำสั่งสอนด้วยเหตุผลและกทิดเบื้องต่ำคือคนรับใช้คือคนงานถ้าเราไม่ทำไม่ถูกกับคนใช้คนงานนะเาตาตะเลาะกับคนงานแล้วไม่แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับคนงานคนงานก็ไม่ทำงานแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยกับเราอีกแล้วกิจการงานของเราจะไปได้อย่างไรเพราะนั้นถ้าเราทำถูกต่อทิศทั้งหกมารดาบิดาเราปฏิบัติยังไง ทิศเบื้องหลังสามีภรรยาเราปฏิบัติตยังไงทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เราควรทํำยังไงทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายเราควรปฏิบัติตยังไงทิศเบื้องบนสมณะพราหมณ์เราควรปฏิบัติตยังไงทิศเบื้องตำ่ำเบาวคือคนรับใช้คนงานเราปฏิบั ต, ติตนอย่างไรกับเขาเหล่านั้นถ้าเธอปฏิบัติถูกต้องต่อทิศทั้งหเธอจะมีแต่ความเจริญจะไม่มีความเสื่อมอันนี้แหละคือทำคําสอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนมาตั้ง 2,500 กว่าปีนะ ถ้าเรานำมาคิดมาพิจารณาดูแล้วนะมีเหตุมีผลลงพ่อว่านะเพราะนั้นขอให้ลูกหลานคณะจดทายาดยมนะหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาะเป็นหลักเหตุผล อ, อันรับพอในที่นี้นะ